กรรมหกประเภท387ภิกษุทั้งหลายกรรมมีหกประเภทเหล่านี้คือ 1. กรรมไม่ชอบธรรมอธรรมกรรม 2. กรรมแบ่งพวกวัคกรรม 3. กรรมพร้อมเพรียงกันสมคคขกรรม 4. กรรมแบ่งพวกโดยทมปฏิรูป ธรรมปฏิรูปะวัคคกรรมห้ากรรมพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปธรรมะปฏิรูปสมัคขะกรรมหกกรรมพร้อมเพรียงกันโดยชอบธรรมธรรมะสมัคขะกรรม